ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบโดยอาการทั้งปวงซึ่งอาธากล่าวคือภาวะที่พิสูจน์เหล่านั้นปริวิตกปริวิตร์คือสงสัยถึงข้อปฏิบัติให้บรรลุนิพพานพระองค์ก็เลยเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าคือเป็นอุทานที่ประกาศถึงการบรรลุนิพพานด้วยการละตันหาได้เด็ดขาดด้วยอริยมรรคคือที่จะละตันหาได้จริงๆก็ต้องละด้วยอริยมรรคของบุคคลผู้เจริญวิปัสสนาอันดำเนินไปตามวิถีจิต มีกายปัสสัตทิจิตปสสัตทิกายสงบจิตสงบผู้ไม่อิงอาศัยในอารมณ์ไหนๆด้วยอำนาจตันหาอะตัมยาตานะไม่อิงตันหาในทุกอารมณ์ไม่อิงตันหาในเอ่ออะไรนะไม่มีรูปปัตนหาเลยพิจารณาแล้วไม่อิงรูปปัตนหาพิจารณาแล้วไม่อิงสัทธตันหาคันธาตันหาราศตันหาโพธพัตันหาและธรรมตันหาเลยอารมณ์เหล่านั้นตันหาไม่อิงอาศัยเลยทําได้ไง ต้องในปียรูปสาธรูปนะไอ้พ้องไม่ดีเราก็ไม่ชอบมันอยู่แล้วล่ะไม่ใช่หมายว่ารูปสวยๆเสียงเพราะๆสีอะไรนะยกอาหารขึ้นมาปั๊บแล้วไม่ใส่ใจเลยนะกําลังหิวด้วยเนะท้องพร่องเลยนะไม่กระหายในอาหารเลยไม่มีรสชาตันหาเกิดเลยเนี่ยนั่นแหละปฏิบัติอย่างนั้นแหละจริงจะบรรลุนิพพานได้นั่นแหละแต่ไม่ใช่ไม่กินนะกินกินตามเดิมมาแหละแต่ว่าไม่มีตันหาในอาหารถามคุณคิดยังไงในอาหาร โดยที่ไม่มีฉันทราค่าในอาหารเนี่ยนะก็อย่างว่านะพระองค์สอนสูตรเบื้องต้นนั้นเนื้อบุดนะยอดเปล่าเกวียนนะอะไรบางสูตรนี่ว่าไว้เลยนะดูการพี่สูจนทั้งหลายอาหารที่กินดืม่มเคี้ยวลิมมีอุจาระปัสสาวะเป็นผลนี้เป็นผลของอาหารนั้นเพราะฉะนั้นก็เดือดร้อนห้องน้ําอีกแล้วเนี่ยนะดิมเมื่อไหร่ก็นึกถึงห้องน้ําทุกทีเลยนะทานเมื่อไหร่ก็นึกถึง ห้องน้ำทุกครั้งเลยนะให้นึกว่าเออนี่เป็นผลของอาหารเหล่านั้นถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆนะตัณหามันจะสางลงบ้างไหมเนี่ยมันคงสางลงบ้างสักวันหนึ่ ง, งนะแรกๆมันอาจจะไม่ค่อยสางเท่าไหร่นะยังเมาๆอยู่นะเบลเลยอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรคิดอย่างนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ค่อยสางไปเองแหละ นะเพราะว่าวิธีที่พระพุทธเจ้าแนะนำเนี่ยเป็นที่สางตัณหาจริงๆนะตัณหาเนี่ยทางธรรมะถือว่าเป็นความเมาชนิดหนึ่งถ้าพิจารณาตามเนี่ยสางเมาได้สางเมาด้วยตัณหาได้ทีนี้ที่บอกว่าผู้ที่มีจิตอาศัยในย่อมวันไหวนะ ท, ที่ได้กล่าวครั้งก่อนๆ น, นะว่าผู้ที่มีจิตอาศัยในีวันไหวจริตรังเนี่ยนะจะละโตจริตรังนี่คือธรรมะเหมือนกัน มากลุ่มเดียวกันคือความวันไหวความว่าบุคคลผู้ถูกตันหาและทิฐิอาศัยในสังขารมีรูปปัจขัเป็นต้นย่อมวันไหวคือย่อมดินรนเพราะตันหาและทิฏฐิว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราใช่ไหมใช่ไหมนั่นของเรานั่นอัตตาของเรานั่นของเรานี่ตันหานั่นอัตตาของเรานี้ มันวันไวนะถามว่าวันไวตอนไหนมากรู้ไหมตอนใกล้จะตายอ่ะตอนเกือบตายจริงๆนั่นแหละไอ้ความวันไวมันจะเห็นชัดอ่ะนะตอนนี้ดูทำเป็นขรึมสำรวมเอะมันมันเนี่ยแข็งแขงเนี่ยนะเขาเล่านะโอ้โหคนใจแข็งบางคนเนี่ยพอบอกว่าประหารชีวิตวอุจาระปัสสาวะร่วงเลยใช่ไหมมันทำใจไม่ได้จริงๆอ่ะมันมัน นะก็เมื่อไม่นานนี่ยนะอุจาระร่วงเลยพอข่าวว่าประหารชีวิตเท่านั้นปัสสาวะร่วงเลยอันนั้นแทนว่าเพราะอะไรไนะไในนั้นไม่คนนั้นแหละคนที่ฟังนี่แหละคนเจ้าของงานนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นนะนะคือหลายๆแห่งก็เป็นอย่างนั้นหลายคนนี่เป็นอย่างนั้นน้อยคนนักที่เรียกว่าจะจะทําใจได้นะน้อยคนนักที่จะทําใจได้ เพราะว่าด้วยอํานาจของตันหาและบางทีถ้าด้วยอํานาจด้วยที่ถีนะถ้ายิ่งพวกอุเฉท ท, ที่ถีด้วยนะอุย้ยอัตราของเรามันจะศูนย์แล้วเนี่ยเราจะหมดแล้วนะเนี่ยมันอะไรอาวอ น, น่ยนะมันเราให้หาเคยเห็นแบบคนที่จะจากจากที่ใดที่หนึ่งจะไม่ได้ไปที่นั่นอีกแล้วนะมันมันมันหวั่นไหวสักปานใดเหมือนอย่างว่านะที่เราก็จะไม่ได้พบได้ปะได้เจอสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วเนี่ยนะถามว่ามันอาวอนสักปานใด ร้องให้กันแทบเป็นสายเลือดนะถ้าเป็นแบบวัตถุไอ้นี่นี่มันหมายความว่าจะต้องจากชีวิตอันเป็นที่รักเนี่ยนะมันจะวันไหวยี่สกปานใดคุณอารีจะวันไหวไหมคงวันไหวนะมันมันมโม่อยู่ดีเอาเลือกรูปอสุภาไปดูเยอะเยอะเธอจะไม่ม่แหละเธอที่เราว่ามันไม่ทุกเนี่ยคือเราเอาสภาวะที่มันมีเฉพาะหน้ามาคิดมันคิดไม่เห็นหรอก ถ้ายิ่งเอาความสุขมาคิดนะถ้าไม่เทียบเคียงให้ดีๆให้เพียงพอยิ่งไม่เห็นถ้าเพราะว่าผู้ที่ดํารงอยู่ในสุขเนี่ยนะมันเป็นความเมาชนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขผู้ที่พิจารณาอย่างนี้เขาจึงมีการเปรียบเนี่ยนะอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าเออเนี่ยนะร่างกายของเราเนี่ยถึงจะสุขอย่างนี้นะทำอีกยี่สิบปีข้างหน้ามันจะไหวไหมอ่านะอีกห้าสิบปีข้างหน้าเราจะเป็นยังไงนะตอนนั้นก็เป็นยายผู้เฒ่าผู้หนึ่งอันนะ ถ้าอีกเจ็ดสิบปีข้างหน้าเนี่ยนะโหจะเป็นยังไงเนาะไม่เหลือแล้วนะถามว่าถ้าร่างกายส่วนนั้นบกพร่องเราจะเป็นยังไงถ้าแขนยกไม่ไหวเนี่ยจะเป็นยังไงพันการการคิดพวกนี้มันจึงคิดทั้งอดีตคิดถึงอนาคตและปัจจุบันคิดทั้งภายในและคิดทั้งภายนอกคิดทั้งแบบอย่างหยาบคิดอย่างเลวคิดทั้งอยู่ไกลและอยู่ใกล้คิดถึงตัวเราด้วยคิดถึงพวกกระแสลอยู่ในโรงพยาบาลด้วย นนะคิดทั้งหมดเลยนะคิดทุกเอามาพิจารณาทั้งหมดในภพทั้งสามอา น, นะเอาทั้งภพสามมาใครครวญมาพิจารณาเขาไม่ได้แค่ปัจจุบันอารมณ์อะไรหรอกแค่แค่สภาวะที่มีอยู่นะการเจริญวิปัสสนาถ้าแค่สภาวะที่เห็นเห็นอยู่ไม่มีใครทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ยิ่งเทวดาด้วยยิ่งไม่ใช่ฐานะเลยเทวดาฟังธรรมยังไม่มีสิทธิ์บรรลุเลย ถ้าเข้ามองอยู่แค่เห็นเนเนี่ยนะแค่อารมณ์สภาวะที่มันปรากฏเฉพาะหนะ้าไม่ใช่ฐานะแต่เนื่องจากว่าเขาเกิดการคำนวณเกิดการไข่ครวญจนเห็นว่ามันไม่ปลอดภัยจริงๆเนี่ยนะเปรียบเหมือนว่าถ้าเราอยู่บ้านหลังหนึ่งเนี่ยอยู่บ้านอย่างดีนอนสบายหลับปุ๊ยตื่นมากลางดึกไฟลุกท่วมไปหมดถามว่าเราจะเป็นยังไง ไอหลังดีอันนั้นนะถามว่าหน้าออกหรือหน้าอยู่ฉันใดก็ดีกายอันนี้พระองค์ก็ตรัสว่าเป็นเป็นของร้อนใช่ไหมหรือเป็นของถูกเผาก็ได้อทิตตังเนี่ยแปลว่าถูกเผาก็ได้ถูกเผาเพราะอะไรถูกเผาด้วยราคะบ้างถูกเผาด้วยโทสะบ้างถูกเผาด้วยโมหะบ้างถูกเผาด้วยชาชารามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตบ้างกายของเรานะดูเราไม่ทุกข์ถามว่าคนอื่นเขาทุกข์เพราะเราไหม นนะสมมุติเราตายเราอาจไม่เสียใจถามว่ามีคนเสียใจไหมถ้าเราตายแล้วคนอื่นๆตายเราจะเสียใจไหมจะเห็นว่าพิจารณาอย่างนี้พิจารณาทั้งภายในพิจารณาทั้งภายนอกไม่ขี้เกียจพิจารณาว่างั้นเถอะแต่ถ้านานๆพิจารณาทีหนึ่งโอ้ไม่เห็นอยู่แล้วอันนี้เชื่อเลยแต่ถ้าไม่ขี้เกียจในการพิจารณาพิจารณาทั้งภายในทั้งภายนอกพิจารณาทั้งอดีตอนาคตแล้วก็อีกนางหนึ่งนะเจริญมรณานุสติเอาไว้มากๆก็จะช่วย ยิ่งนึกถึงคนที่เรารู้จักคนนน้นก็ตายไปแล้วก่อนจะตายชีวิตเขาดำรงอยู่อย่างไรแต่ละคนแต่ละคนแล้วผู้ที่จะเกิดมาเช่นลูกหลานเลนของเราเป็นต้นที่จะเกิดต่อไปข้างหน้าเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างไรเขาจะต้องไปเรียนอะไรเขาจะต้องไปศึกษาอะไรแต่ที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากติดในในความสบายๆนึกว่าไม่มีอะไรแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นในที่สุดนามามาทุกจนได้ ร่างกายนี้แม้กระทั่งร่างกายนี้ถามว่าเอาอะไรเป็นหลักประกันว่าความเจ็บปวดในะเราต้องรอเราต้องเป็นเองก่อนไหมเราจรึงจะเชื่อว่ามันทุกข์จริงๆนะมะเร็งทั้งหลายเราต้องเป็นเองซะก่อนหรือจึงจะรู้ว่าโรคะโตจริงๆกายนี้นะท่านก็ผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยเขาอาศัยพิจารณาภายนอกเป็นหลักถ้าพิจารณาแค่ภายในเป็นหลักน่นะนะนะเจ้าชายสิทธัตถะไม่ออกบท ทำไมท่านออกบวชแล้วบรรลุเพราะท่านเห็นเทวทูตท่านคิดเรื่องเทวทูตมากคิดเรื่องความแก่เรื่องความตายเรื่องอความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่มากนั่นอ่ะคือวิปัสสนาของท่านที่ท่านคิดจนบวชอยู่บ้านไม่ได้อะนะถ้ามองเห็นแค่สนมกำนันเฉพาะหน้าไม่น่าเบื่ออะไรร้องเพลงก็เพราะสวยก็สวยเป็นหมื่นคนเนี่ยนะที่มาบำรุงบำเริมไม่น่าออกบวชเลยนะจามินิสเป็นไม่ได้ไหมจะออกบวช คิดไม่ออกนะแค่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยังออกบวชเลยนะยังไม่ได้มีอะไรเลยนะคนเดียวด้วยน้ําไปก็ยังไม่ได้บวชเลยนะจะ ก, กล่าวไปยัยถึงมีทั้งสี่หมื่นนางแล้วงนั้นนั้นก็นนผู้ที่เขาเขาเห็นโทษในวัตฏะเขาที่ประสงค์ออกจากวัฏฏะแปลว่าเป็นคนเอามาพิจารณามากเรียก ว, ว่าไม่เบื่อหน่ายในการไข้ค ร, ครวัวไม่เบื่อหน่ายในการพิจารณาเมื่อพิจารณามากๆแล้วความเบื่อหน่ายมันมีเองเนะนะ แต่ว่าอยู่ๆแล้วนึกเบื่อขึ้นมาเฉยๆอ น, นั้นโทสะเพราะเป็นอุปนิสัยที่เกิดจากอากุศลอ น, นะอย่างหลายๆครั้งเนี่ยอยู่ๆขึ้นมานึกเครียดขึ้นมาเฉยๆนะให้รู้ท่าว่านั่นเป็นผลพวงของทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทําให้วิปฏิสารในภายหลังเนี่ยนะไม่ใช่วิปัสนาระไรห ร, รอกคืออยู่ๆแล้วมันนึกไม่ไม่สนุกนึกเบื่อขึ้นมานะให้รู้ว่านั่นเป็นผลของ ผู้จริตกรรมที่เราทำมามันเป็นอุปนิสัย น, นะเป็นอุปนิสัยที่ทำให้เดือดร้อนในภายหลังมันสรุปว่า <c oughs> ผู้ที่จะปฏิบัติเนี่ยนะเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเนี่ยพวกนี้จะต้องพิจารณายัางไงจนไม่หวั่นไหว น, นะเน อริยสาวกไม่พอใจแม้กรรมคุณอันเป็นของทิพจะกล่าวไปใยญยถึงกรรมคุณอันเป็นของมนุษย์เล่าเพราะฉะนั้นคิดขนาดไหนคิดแค่ไหนจึงไม่เพลิดเพลินแม้ในสวรรค์จะกล่าวไปใยญยถึงตันหาที่เป็นของมนุษย์มันถามว่าพิจารณาเพียงใดเบื่อแม้กระทั่งสวรรค์เบื่อแม้กระทั่งพรหมโลกเบื่อจริงๆนะมันเบื่อเพราะเห็นโทษนะไม่ใช่เบื่อด้วยโทสะเพราะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะ ก็อาจจะเห็นโทษแบบอย่างที่หลายบางคนก็บอกว่านี่ถ้าให้เป็นนายกเทศมนตรีไม่รู้มันดียังไงใชไม่คิดจะเอาเป็นต้นนะนะคิดยังไม่กล้าคิดจะเป็นเลยอยงนะอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันพ่านถ้าพิจารณาให้รอบๆพิจารณาโดยถีทวนแต่ทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าไม่เบื่อหน่ายในการพิจารณานนะไม่เบื่อหน่ายในการพิจารณาทีนี้ย้อนมาอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ที่ยึดถือผู้ที่อาศัย หมายคําว่าเข้าไปอิงอาศัยในรูปเต็มที่เลยนะหมายคําว่ามอบจิตให้รูปเต็มที่เลยนะถามว่าเขาจะวันไว้สักปานใดเหมือนอย่างว่าชายหนุ่มคนหนึ่งหรือหญิงสาวคนหนึ่งที่ไปอะไรนะไปเข้าไปอาศัยในอีกฝ่ายหนึ่งนะไปทุ่มสุดตัวเลยนะถามว่าเขาจะนอนหลับเป็นสุขนอนหลับฝันดีไหมเขาเห็นยิ้มกับคนอื่นเนทางนี้ก็เกือบตายแล้วนะ เขาเล่าให้ฟังอ่ะ น, นะว่าเป็นงั้นเป็นเอามากขนาดนั้นเขามีเพื่อนคนหนึ่งเขามีภรรยาเนี่ยนะภรรยาเขายังเด็กเด็กกับเขาเป็นสิบปีเขาบอกว่าไม่ให้ห่างตัวโดยประการทั้งปวงอ่ะนะไม่ยอมให้ห่างตัวเลยนะโหมันหวงเอาขนาดนั้นเลยอนะนึกถึงไอ้เพื่อนคนหนึ่งเหมือนกันนะเห็นภรรยาเขาไปยิ้มกับคนอื่นในไอ้เจ้านี่เดือดร้อนอนะ่ะ ต้องตำหนิภริยาซะหน่อยเพราะโทษฐานไปยิ้มกับชายอื่นเนี่ยนะโอ้ยมันมันเป็นเอามากขนาดนั้นตอนนั้นนะตอนนี้หยากันตั้งนานแะล้วเนะี่ยตอนนี้สงสัยร่วมสังวาสกันไม่ได้โดยประการทั้งปวงสำนึกมาร่วมกิจกรรมแม่กะทั่งเลี้ยงลูกด้วยกันยังทําไม่ได้หรอนะหยากกันตังนานแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเต็มที่ทั้นสรุปว่าผู้ใดที่ไปฝากอะไรไว้กับอะไรเนี่ยถามว่าจะวันไว้สัปปารใด เพราะเพราะมันหมายความว่าสิ่งนั้นมันมีสมุธฐานสี่ใช่ไหมถ้าเราฝากฝังจิตเอาไว้กับรูปรูปซึ่งมีสมุธฐานสี่เนี่ยนะสมมุติถ้าเราฝากฝังไว้กับรูปที่เกิดจากโสมนัตเวทนาถ้ารูปนั้นเกิดด้วยโทมนัตอะไรจะเกิดอ่า น, นะถ้าเราชอบว่าเออเนี่ยรูปนี้นะอาหารชรูปแค่นี้พอถ้าอาหารชรูปมันเพิ่มนะจากสมมติอะปกติแล้วโทวนก็ห้าสิใช่ไหมเพิ่มไปเป็นเก้าสิบเก้าเก้าเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นหรือ คนเดียวกันนั่นแหละเพิ่มน้ำหนักไปเป็นร้อยยีิกิโลเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงหรือเราชอบในจิตแตช่รูปของเขาอะนะถ้าจิตตชรูปเขาไม่ปกติล่ะมันจักวันไว้สักปานใดเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่เอาจิตไปแอบอิงอาศัยในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาจะวันไว้อยู่เสมอเพราะอะไรเพราะว่าไปหวังกับสิ่งนั้นมากเปรียบเหมือนเป็นาธาตุของสิ่งนั้นถ้าเราเป็นาธาตุของวัตถุใดเราจะวันไว้ใจสักปานใด เคยไหมจังวินิสสมัยที่ได้รถมาใหม่ๆนะกลัวคนอื่นขูดแทบตายเลยใช่โอ้ต้องหาที่จอดเลแล้วเลเอีกงนะเวลานั่งเ น, นี่คิดถึงรถไหมผู้การเคยไหมสมัยก่อนนะสมัยก่อนนะ เ, <laughs> เคยเหมือนกันนะ <laughs> แทบจอดรถไม่ติดที่เลยนะนั่งเหลือบแล้วเหลือบอีกนะันไหมเงี่ยโสดลงฟังหน้าด้วยเลยนะบางคนถึงก็ติดสัญญาณกันขโมยเลยนะ เพราะว่ามันจะได้ฟังโอ้มันวันไหวสัปตานได้นะนั่งก็ไม่เป็นสุขยืนก็ไม่เป็นสุขเดือดร้อนตลอดเลยแต่อย่างว่าถ้าผู้มีบุญทั้งหลายผู้มีปัญญาอาจจะไม่เท่าไร่นะแต่บางคนเนี่ยได้ของบางอย่างมันหวงแหนมากนะซื้อตู้เซฟมาใายเลย น, นะจะได้หมดเรื่องหมดราวสักทีหนึ่งนะจะได้หมดภาระบางคนนี่วิตกขนาดนั้นนะจนมันวันไหวเอามากๆเลยนะจนไม่ปกติ จึงอยู่บุคคลผู้ยังละตันหาและทิถิไม่ได้เมื่อสุขเวทนาเป็นต้นเกิดขึ้นก็ไม่อาจจะครอบงำเวทนามีสุขเวทนาเป็นต้นเหล่านั้นอยู่มีจิตสันดานดิ้นรนกวัดแก่งดิ้นรนหวั่นไหวอันนำออกแล้วเพราะให้อกุศลเกิดขึ้นด้วยอานาจการยึดถื อ, อ น, นะตันหาและทิฐิโดยในเป็นต้นวอกเวทนาของเราเราเสวยเวทนาก็ดีใจเพลิดเพลินหมกมุ่นครุ่ น, ค, นคิด เตดค่องแล้วก็วันไว้ในสิ่งนั้นนะนะคือคนที่ที่เพลิดเพลินอะไรนะเดียเด๋ยวก็หัวเดี๋ยวก็หัวเราะใช่ไหมอีกหน่อยก็ร้องให้นืกแล้วก็หัวเราะอีกหน่อยก็ก็ร้องให้ตอนที่สิ่งนั้นมันเป็นอย่างที่ใจเราต้องการเราก็หัวเราะเมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นอย่างที่เราต้องการก็ร้องให้เนี่ยนะเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องให้เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยกร้องให้สังเกตจากอะไรรูกไหมคนที่ได้เป็นแม่แล้วได้ลูกใหม่ๆนะ เดี๋ยวเขาก็หัวเราะเดี๋ยวเขาก็ร้องให้เดี๋ยวเขาก็เศร้าใจเดี๋ยวเขาก็หัวเราะเดี๋ยวเขาก็ร้องให้ตอนลูกเขายิ้มแย้มแจ่มใสนะเขาก็ยิ้มโอ้ยมีความสุขมากตอนลูกป่วยนะทำอะไรไม่ถูกเลยเดือดร้อนมากนะก็ลักษณะนี้ส่วนผู้ที่อ น, นิสิตตัสจริตังนัตินะผู้ที่ไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยย่อมไม่หวั่นไหวคือบุคคลใดดําเนินตามปฏิปทาวิสุทธิเนี่ยนะ ปฏิปทาวิสุทธิก็คือวิสุทธิเจประการศีและวิสุทธิจิตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นเนี่ยนะย่อมข่มตันหาและทิฏฐิได้ด้วยสมถะและวิปัสนาย่อมพิจารณาเห็นสังขารด้วยลักษณะมีอนิจจลักษณะเป็นต้นอยู่บุคคลนั้นคือผู้ไม่ถูกตันหาและทิฏฐิอาศัยย่อมไม่มีจิตวันไว้ฟุ้งซ่านดิ้นรนตามที่กล่าวแล้วเพราะข่มเหตุไว้ได้ด้วยดีะนะ สมมติอย่างผู้การขายบ้านขายที่บ้านหลังที่ขายไปที่ที่ขายไปเนี่ยนะรู้สึกเคยไปวันไว้กับสิ่งมันไหมไม่เคยเลยนะปลดไปสักทีหนึ่งอะนะสบายมากอะ น, นะนั่ น, น, เ, ตนนะเต้นพังเลยนะนใช่เพรื่อนท่าเนี่ยก็เหมือนกันถ้าไม่ตันหาทิฐิอาศัยในวัตถุนั้นนะวัตถุนั้นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยนะเพราะไม่สําคัญว่าเป็น ของเราเนี่ยนะเพราะตันหาไม่อิงอาศัยที่ทีไม่อิงอาศัยจะไม่ทุกโดยประการทั้งปวงอันพระ้าหันทั้งหลายเนี่ยท่านไม่กลัวตายเพราะท่านไม่มีตันหาอิงอาศัยในกายเลยไม่อิงอาศัยในเวทนาในจิตเลยเพราะฉะนั้นจงตัดตันหาในสิ่งเหล่านี้เสียเถิดนั่นจกเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเนี่ยนะก็จะไม่เดือดร้อนแม้กระทั่งตายก็ยังไม่กลัวตายเลยไม่เดือดร้อนเลยนะ เพราะฉะนั้นบทว่าจริเตอัสติความว่าเมื่อจิตไม่มีความหวั่นไหวตามที่กล่าวแล้วเขาทําจิตนั้นให้เกิดความขวนขวายในวิปัสนาดําเนินไปตามวิถีจิตโดยที่ยึดถือตัณหาและทิฏฐิเกิดขึ้นไม่ได้จนทําให้ตัณหาทิฏฐิโกิดอีกไม่ได้ต่อไปนะคิดยังไงจึงจะสิ้นตัณหาคิดยังไงจึงจะหมดทิฏฐินั่นแหละคือข้อปฏิบัติคิดยังไงจึงเลิกชอบคิดยังไงจึงเลิกชังคิดยังไงเลิกมีตัณหาทิฏฐิเลิก คิดยังไงจึงจะเลิกเพียนสักทีหนึ่งเลิกวิปลาสในวัตถุนั้นน่ะนะหายบ้าหายเมาสักทีบทว่าปสัสสธิความว่าปสัสสติสองอย่างคือการเข้าไปสงบกิเลสซึ่งทําความกวนกวายกายและจิตที่เกิดร่วมกับวิปสัสนาจิตมันถ้าเจริญวิปสัสนาปัสสต์ที่ก็เกิดขึ้นเมื่อปสัสสตที่เกิดก็อันควรแก่คุณวิเศษก่อนและหลังมีอยู่เธอเจริญสมาธิอันมีความสุขหาโทษไม่ได้ เป็นที่ตั้งแล้วจึงประกอบสมถาวิปัสนาให้เป็นคู่กันเนี่ยนะสมถาวิปัสนาเคียงคู่กันไปสลับเคียงคู่กันไปเนี่ยนะอันนี้ถ้าเคียงคู่จริงๆนี่หมายถึงขณะมรคนะถ้าทํากิจคู่เนี่ยขณะมร์ถ้ายังไม่ถึงมร์ ก, ก็สลับกันถ้าขณะมร์เมื่อไหร่ก็เดินคู่ขนานเหมือนวัวเทียมเกวียนเหมือนวัวคู่เนี่ยนะลากลากเวียนคู่เนี่ย โดยทําสมาธินั้นให้รวมกับวิปัสสนาแล้วทํากิเลสให้สิ้นไปสืบโดยสืบสืบแห่งมักหมายความว่าทำํำ ส, สมถาวิปัสสนาให้คู่กันในขณะโซดาปฏิมักบ้างขณะสกัทาคามีมักบ้างขณะอนาคามีมักบ้างขณะอรหัตตมักบ้างอันอตันหาอันแน้นำว่านติเพราะน้อมไปในการมาพบเป็นต้นไม่มีในขณะอริยมักปกติตันหานะ่ยมันพาน้อมไปสู่พบ นั่งฟังทำอยู่เฉยๆถ้าจุติเลยมันน้อมไปสู่พบไหนก็การมาพบเป็นต้นเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งนั่งฟังทำปริดๆอยู่อย่างนี้นะถ้าจุติตอนนี้มันนําไปสู่พบทันทีเลยเหมือนบุคคลฟุบไปแล้วตื่นขึ้นทันทีเลยนะไม่ได้ยากเยินอะไรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบรรลุอริยมรรคหนะ้ตัวนําไปสู่พบจักไม่มีเรานั่งอยู่เฉยๆนี่อย่าไปคิดนะว่าไม่มีใครพาเราไปสู่พบใหม่เทําเป็นเฉยๆเออ เฉอย่างนี้กเฉยอะไรโมหะอุเบคขาใกล้ต่ออะไรสาธุขอให้เห็นจริงเถอะเนี่ยนะสรุปว่าตัณหาที่นำไปสู่พบไม่มีในขณะแห่งอริยมรรคโดยเด็ดขาดอธิบายว่าไม่เกิดขึ้นเพราะให้ถึงความไม่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาบทว่าณติยาอสติความว่าเมื่อไม่มีปริยุทธานกิเลสคือความอาลัยและความติด เพื่อต้องการพบเป็นต้นเพราะละตัญหาได้เด็ดขาดด้วยอริยมรรคหม อ, อยุพินท่าให้เลิกเห็นในพอใจไหมหนึ่งสองสามเลิกเห็นต่อไปนี่คำใจไม่ได้น ะ, ะยังไม่ได้ปักเสร็จเลยอะ่ะพรุ่งนี้ต้องไปซื้อเพชรอีกก็ต้องไปปักต่อเอีกานนะี้โอยังปักไม่เสร็จเดี๋ยวไว้ก่อนนะไว้ก่อนเนี่ยนะยนะมันก็อย่างนี้แหละพวกมีหน้าทนอยู่ได้นานนะ มันก็พูดที่จะละตันหาได้ก็ต้องอย่างว่านะต้องเห็นโทษของสีจริงๆสรูปสีเนี่ยนะไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสีเสียสีเหล่านั้นทั้งหมดที่เธอละแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแต่ถ้าไม่คิดลักษณะนี้ก็ เ, เดี๋ยวสีมันจะลากไป น, นะเดี๋ยวสีมันกระฉุดให้เราหันควายบ้าง เน้อสีมันจะชุดให้เราหันขวาบ้างสังเกตดูตามเวลาเลี้ยวรถสินะสีมันบอกให้เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวสีบอกเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวถอยหน่อยแล้ก็ถอยโอ้แล้วแต่คําสั่งของสีจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตันหามันนําไปอย่างนั้นแต่ถ้าเจริญอริยมรรคได้เด็กขาดก็ละตันหาโดยประการทั้งปวงเมื่อละตันหาอย่างนี้เนี่ยนะอาคติคตินะโหติความว่าการมาคือความมาในโลกนี้ด้วยปฏิสนธิก็ยังไม่มี นะไม่ต้องมาอีกแล้วคุณวิลาวันไม่ต้องมาขอฝากคันกับใครอีกต่อไปขอฝากอยู่มดขออาศัยมดลูกอยู่หน่อยนะอันนี้ไม่ต้องนะีนะ่การไปจากโลกนี้ไปสู่ปาระโลกก็ไม่มีนะไปเกิดในภพหน้าเกิดในภพใดๆก็ไม่มีก็ย่อมไม่เกิดเออถ้าหมดตันหาอย่างเดียวนะมันไม่มีใครลากเราไปเกิดใหม่แล้วไม่มีใครลากเราไปสู่ภพใหม่แต่เชื่อเหอะไม่ง่ายเราเดิมก็ลากกลับบ้านลนะ บทว่าอาคติคติยาอัสติความว่าเมื่อไม่มีการมาและการไปโดยในดังกล่าวแล้วบทว่าจูตูปปาโตนะโหติความว่าการจุติและอุบัตไ ป, ไปไปมาๆย่อมไม่มีย่อมไม่เกิดถ้าสิ้นตันหาอย่างเดียวก็ไม่ต้องมาไม่ต้องไปไม่ต้องเกิดไม่ต้องอะไรสักอย่างอยู่ก็ไม่อยู่นะไปก็ไปไ ป, ไปจริงอยู่เมื่อไม่มีกิเลสวัดกรร ม, มวัดก็เป็นอันขาดทีเดียวเออทงหมดกิเลสอย่างเดียวนะกรรมที่ทําไว้เนี่ยทําให้มากเท่าไหร่ทาไม่น้อยเท่าไหร่ กรรมนั้นก็เป็นอันหมดอันสิ้นอันจบอันสิ้นเลยนะเพราะฉะนั้นใครทําบาปทําอะไรมามากมายไม่ต้องห่วงน้าหมดตัณหาอย่างเดียวนะกรรมนั้นก็เป็นอันจบเนี่ยนะเป็นอันหมดนะเพราะฉนั้นเมื่อสิ้นกิเลสก็เป็นอันสิ้นกรรมเมื่อสิ้นกรรมวิปากวัฏจักมีแต่ที่ไหนอาจารย์สวพินิษไม่ต้องกลัวว่าจะต้องมีภาชนะรองรับแล้วไอ้หมดตัณหาอย่างเดียวถ้าหมดตัณหาก็หมดกรรมถ้าหมดกรรมก็ไม่ต้องสร้างภาชนะเพื่อรองรับทุกอันต่อไปเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีจุติไม่มีอุบัติไม่มีส่วนบอกว่าไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีระหว่างโลกทั้งสองอ่ะนะก็คือไม่มีทางอายตนะภายในไม่มีอายตนะภายนอกไม่มีวิญญาณ6กภาษา6เวทนา6สัญญาหสังขารอสตันหาหวิตกหวิจารณหกก็ไม่มีโดยประการทั้งปวงคือไม่มีตนและสิ่งที่เนื่องด้วยตนในวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกข์ได้นีนะ บางคนก็บอกโอ๊ยทําใจไม่ได้หรอกนะถ้าไม่ถือว่าเป็นเราบ้างเลยว่าเป็นของเราบ้างเลยจะทําใจได้ยังไงเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรถ้าอิงไว้เท่าไหร่ก็จะทุกข์เท่านั้นก็เตรียมผ้าเช็ดหน้ า, าไว้เช็ดน้ําตาไว้ด้วยเอาถ้ายังชอบจุดต่อไปเนี่ยนะก็ซื้อผ้าเช็ดหน้าไว้พื้นหนึ่งนะเอาไว้เช็ดความเสียใจเลยนะนั่นเป็นผลพวงของความเพลดิดเพลินพระพุทธเจ้าประกาศอนุภาพแห่งอ ม, มะตะนิพานอันเป็นเหตุสงบวัฏฏุก สงบทุกข์ในวัฏะได้โดยเด็ดขาดด้วยสัมมาปฏิบัตินะใครที่จะปฏิบัติให้บรรลุนิพพานต้องปฏิบัติอยู่ในสัมมาปฏิบัติตามวิสุทธทิเจประการมีศีลวิสุทธทิเป็นต้นจนขจัดตัณหาที่นําไปสู่ภพโดยประการทั้งปวงแกภิกษุเหล่านั้นในพระาศาสนาแม้นี้ด้วยประการชนีเนี่ยนะอันนี้ก็นิพพานสูตรในอุทานก็จบแต่เพียงเท่านี้ก็สมควรกับเวลา